การงานทั้งสิ้นที่ทำบนบกต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงทำได้ชั้นใดพโยคาวจรก็อาศัยศิล์ตั้งอยู่ในศิล์จึงทำให้เกิดอินทรีห้าขึ้นได้ฉันนั้นโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกมหาราชบุรุษที่เป็นนักกระโดโดโรเต้นประสงค์จะแสดงศิลปะ